เสียงานหนังสือพุทธธรรมฉบับรับขยายบทที่13บุพภาค ข, ของการศึกษาบุพพานิมิตที่สองโยนิโสมนสิการสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์ปออประยุตโตจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ห้าิบห้าโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยภายในแห่งสมาธิทิอาจเรียกว่าวิธีการแห่งปัญญาเป็นสิ่งที่จะขาดไม่ได้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 เช่นตามที่สิ่งนั้นๆมันเป็นของมันโดยวิธีคิดหาเหตุปัจจัยสืบค้นถึงต้นเขาสืบสาวให้ตลอดสายแยกแยกสิ่งนั้นๆเรื่องนั้นๆออกให้เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์สืบทอดแห่งเหตุปัจจัยโดยไม่เอาความรู้สึกด้วยตันหาอุปาทานของตนเองเข้าจับหรือเคลือบคลุมทาให้เกิดความดีงามและแก้ปัญหาได้ อย่างหัวข้อภายในประกอบไปด้วยฐานะของความคิดในระบบการดําเนินชีวิตที่ดีและการพัฒนาปัญญาจุดเริ่มและกระบวนการของสิกขาหรือการศึกษาความสําคัญและความหมายของยูนิโซมนาสิกานวิธีคิดแบบยูนิโซมนาสิกาสิบแบบแบบสืบสาวเหตุปัจจัยแบบแยกแยกส่วนประกอบแบบสามั ญ, ญลักษณ์แบบอริยสัจหรือแบบแก้ปัญหา แบบอัรถธรรมสัมพันธ์แบบรู้ทันคุณโทษและทางออกแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมแบบรักกุศลแบบอยู่กับปัจจุบันแบบวิพัชวาทะปิดท้ายด้วยวิธีคิดแบบแก้ปัญหาเปรียบเทียบระหว่างวิธีคิดแบบอริยศัสตร์กับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์สำหรับคำว่าวิพัชวาวธหรือวิพัชาวาธ เป็นชื่อเรียกอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นคําสําคัญที่ใช้แสดงระบบความคิดที่เป็นแบบของพุทธศาสนามีความหมายคลุมถึงวิธีคิดหลายแบบไว้ในตัวและเป็นหลักการแห่งคําสอนที่สําคัญที่ผู้ศึกษาคัดลอกอ้างความถึงพุทธวจนะกวรเข้าใจให้ตรงเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนในหลักธรรมคาสอนหรือเข้าใจได้ตรงกับจุดประสงค์ในพุทธวจนะนั้นได้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามเป็นจริง สิ่งอ่านโดยอริยคุณจุมรมผลดีร่วมจัดทําเพื่อเป็นธรรมทานโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัตดวงพรนวนทัศน์ศชาศักดิ์สุจริตเจ้าภาพรองสุมเมศกุ้งวงครอบครัวอิ่มวงศรีร่วมกับครอบครัวทรงพลจิติมาเดชสุภา พ, พรณกันธบุตรยานินเวงเกตพรมรศีเพชรกลมรัชนีจันจรัตวัฒนาร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องนะครับขอทุกท่านร่วมมนุโมทนา